ในคาถาที่9กานนะนะ า, าวิสาวนสูตรหน้า165พระปพระปเจกับพธเจ้าอีกองค์หนึ่งบอกว่าได้ยินว่าพระอัครมเหสีของพระเจ้ากรุงพารณสีสิ้นพระชนต่อจากนั้นเมื่อวันเป็นที่ทเศร้าโศกผ่านไปก็แปลว่าพระมเหสีสิ้นพระชนพระราชาก็เศร้าโศกเสียใจอยู่หลายวันด้วยกัน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 มเหสีองค์ก่อนสิ้นพระชนก็สิ้นไปแต่ก็ควรจะมีองค์ใหม่ดังข่าพระองค์ขอพระวโรกาสขอพระองค์ทรงโปรดนำพระเทวีองค์อื่นมาเทิดมีใหม่เธออย่างนั้นแต่ว่าคำกล่าวกับพระราชาก็ต้องไพเราะหน่อยนะพระราชาก็เลยตรัสว่าถ้าอย่างนั้นพนายจงรู้แปล ว, ว่าไม่ปฏิเสธอามาตย์เหล่านั้นก็สแสวงหาอยู่รู้ว่าพระราชาในประเทศใกล้เคียงสวรรคต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 นะถ้าถ้าไม่รอก็แต่งจะเอาองค์ไหนก็เอาไปอามาทั้งหลายก็ไปบอกเนื้อความนั้นแด่พระราชาพระราชาตรัสว่าแม้พระนางทรงคันมีคันก็ช่างเถิดจงนําม า, ามีท้องก็เอาว่างั้นอามาเหล่านั้นก็ให้นํามาพระราชาก็อภิเษกกับพระนางนั้นแล้วพระองค์ก็พระราชาทานโภคทสัพย์ทั้งหมดแก่พระมเหสี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 นักก้อนข้าวเขาไม่ใช่ของตัวเองนะเขาใส่บาทมาไม่ยังยอมาทะเลาะ ก, กันในะเรื่องไม่เป็นเรื่องอีกกว่านั้นอันหนึ่งคืหัดอยู่ครองเรือนกับสงเคราะห์ยากนะสงเคราะห์บริวารเนี่ยสงเคราะห์คนโน้นก็ผิดคนนี้สงเคราะห์คนนี้ก็ผิดคนนั้นอนนะัคุยกับคนนั้นก็ว่าคุ้นเคยกับคนนั้นไอ้คนนี้ก็เครียดอีกเหมือนกันโอ้มันยุ่งจังเลยกับมันบุคคลเป็นผู้มีความขวนขวายน้อยแปลว่ายอย่าไปยุ่งเลยเหมือนกัน กับบุตรของคนอื่นไอ้ที่ว่าทั้งหมดนี่มันไม่ใช่เรื่องของเราเลยใช่ไหมไอ้อย่างสงเคราะห์เด็กมันก็ไม่ใช่ลูกของเราแท้ๆอะไรเลยแต่มันยุ่งจังแล้วก็ไอ้บริวารก็ไม่ได้ลูกคนเราเลยมันเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนนอแร็ดฉะนั้นดีกว่าว่างั้นนะไปคนเดียวก็ได้ไหมมาพร้อมกันที่ไหนว่างั้นนะแบบพระโพธิ์พระโพธิท่านบอกอโพธิในโพธิชาดกนะท่านมหาโพธิท่านบอกว่า เอ้าก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ก่อนนี้ข่าพระองค์อาตมาก็ไม่ได้เป็นเป็นที่รักของพระองค์มาแต่ก่อนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นได้เวลาอันสมควรอาตมาไปละก็งั้นสรุปว่ายังไงก็ไปก็ ง, งั้นนี่ก็เหมือนกันนะในที่สุดท่านก็บรรลุเป็นพระปัจเจกกับผู้แทนเจ้าเพราะบริบรวารมันสงเคราะห์ยากมันเรื่องมากเหลือเกินนะที่จริงมันก็ทะเลาะ ก, กันเองนันแหละเดี๋ยวมันวุ่นวายก็ที่ใดที่มีการทะเลาะ ก, กันที่นั่นไม่ผาสุข เพราะอีกฝ่ายหนึ่งมุ่งแต่เพ่งโทษอีกฝ่ายหนึ่งว่าอีกฝ่ายนึงมันมีความเลวตรงไหนบ้างจะได้เอาความเลวนั้นมาพูดว่าฉันนี่ดีเหลือเกินนะที่ฉันปฏิปัติต่ออีกฝั่งนึงเพราะอีกฝั่งหนึ่งเลวจนฉันทนไม่ได้อีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันบอกว่าเอ๊ะ hey, มันเลวตรงไหนบ้างมันจะเลวนิดเดียวก็ช่างเถอะเห็นเขาเลวนิดเดียวเท่าฝุ่นมันมองเห็นเท่าก้อนเมฆแต่ความเลวของตัวเองเท่าก้อนเมฆมันเห็ น, ทนเท่าฝุ่นอยนั้นมันตรงกันข้ามก็เลยมองแต่ผู้อื่นเลวหมดดีแต่เราอยู่คนเดียวน ใช่มันมีดีอยู่ฝักดีในฝักก็ดีนอกฝักว่า ง, งั้นแต่ดีถ้าดีมากๆมันจะดีสันน้นนะนะเพราะพวกนี้ก็ลำบากนะพวกใครที่คิดตัวเองดีเกินไปโดยมากมันจะดีสั้นในตอนหลังนั่ะมันก็จริงก็พงศ์ขโมยแต่ทะเลาะเบาแฝงกันขาดเมตตาต่อการพูดถึงกันด้วยเหมือนกับว่าโอยมหาโจรอย่างนั้นเลยเหมือนกับว่าเขาฆ่าคืออีกฝ่ายหนึ่งมันเลวเหมือนเขาฆ่าครอบครัวเราหมดสิ้นเลยนะ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 พระประเจกท่านยังมีปัญญาขนาดนี้ท่านยังหนีเลยคิดดูท่านมีปัญญามากกว่าพระอ克拉สาวกนะท่านยังเบื่อเลยว่าไงอธิบายว่าบรรพชิตพวกเหล่าใดถูกความไม่ยินดีครอบงําแม้บรรพชิตเหล่านั้นก็สงเคราะห์ยากนะพวกที่เบื่อในการเจริญกุศลเบื่อในการหลีกเล่นนะเขาบอกว่าบางแห่งเนี่ยไปไปจาริกไปจาริกเนี่ยนะทุกคนก็จะแยกย้ายกันอยู่ใช่ไหมและวันที่หนึ่งแยกย้ายกันอยู่ไกลลิบเลย วันที่สองมันรวมตัวกันเข้าเริ่มใกล้ชิดใกล้ชิดหนักๆเข้าก็กลางกรดติดกันนั่นแหละทีนี้ก็มีแต่เดรัฉานกระถาแล้วก็พูดคุยกันโอ้ยแกเรียกว่าเอาลิงมาอยู่ป่าจริงๆเลยกันนี่หรือครรหัตผู้ครองเรือนก็สงเคราะห์ได้ยากเหมือนกัน น, นะอีกคนหนึ่งได้ประโยชน์ไปก็ดีใจอีกคนหนึ่งเสียประโยชน์ก็ทําลายอีกฝ่ายหนึ่งให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียหายแกเรียกว่าสึกชิงเล่ขาเ้าอีกันก็เข้ามา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 ให้เอาให้อโปาธาดมากมันผิดเตโชให้เตโชมากมันผิดวายโยให้วายโยผิดปฐวีก็เหมือนกับให้ยาใช่ไหมให้ยาอันหนึ่งไปผิดอีกอันหนึ่งให้ยาอีกอันหนึ่งไปมีไปมีโทษอีกอันหนึ่งเนี่ยกายนี่มันสงเคราะห์ยากที่สุดนั่นแหละกลายบอกขัด น, นามขันรูปขันคือมหาพูดก็สงเคราะห์ยากเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันยิ่งสงเคราะห์ยากตา น, นั่นอีกออกเถอะว่งางั้น ก็เชื่อเหก็พอตู้ไหวข้ากันนะดูแลได้ดูแลรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต่อไปได้บริหารได้นะเมื่อไรจะเบื่ออย่างที่พระประเจศท่านเบื่อบ้างในคําอธิบายที่บอกว่าพวกบัณชิตบางพวกนี่สงเคราะห์ยากอธิบายว่าบรรณชิตบางพวกในาศาสนานี้เมื่อคนอื่นให้นิสัย ให้นิสัยก็คือผู้ที่เป็นอาจารย์เนี่ยเขาต้องอยู่นิสัยะนะแปลว่าอยู่นิสัยก็อยู่ในการดูแลว่า ง, งนะั้นแปลว่าต้องอยู่ในการดูแลให้อุเทศคือหัวข้อปริปุูชาการสอบถามให้จีวรบินฑบาตให้ภาชนะที่ทำํำด้วยโลหะให้ภาคเครื่องกรองน้ําภาคกรองน้ําลูกดานให้รองเท้าประคตเอวให้แล้วก็ไม่ฟังไม่ตั้งใจฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรับรู้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 ก็ <c oughs> แล้วแต่จะอะไรเป็นสังเวกับวัตถุคือผู้ที่สั่งสมบูรณ์มาเป็นอย่างดีเนี่ยนะมองอะไรเป็นสังเวกับวัตถุพอที่จะเป็นเหตุให้บรรลุได้หมดเลยคาถาที่สิบได้ยินว่าพระราชาพระนามว่าจาตุมาสิกพรหมทัตในกรุงพารณาสีเสด็จไปสู่พระราชาอุทยานในเดือนต้นแห่งฤดูร้อน พระองค์ก็เห็นต้นทองหลงังซึ่งสล้างด้วยใบหนาะทีเดียวว่ากันต้นทองหลงังใบหนาะแน่นมากใบดกเต็มที่ในภูมิภาคอันเป็นที่รื่นรมในพระราชวิทยานนั้นก็ตรัสว่าจงจัดที่นอนให้เราที่โคนต้นทองหลงังเสร็จแล้วพระองค์ก็เล่นในพระราชวิทยานแล้วก็บันทมที่โคนต้นทองหลงังนั้นจนถึงเวลาเย็นก็เสด็จไปสู่น น, นก็กลับไปสู่พระราชวุทยาน ทีนี้ในนี้ตอนเดือนต้นแห่งฤดูใช่ไหมพอหลังจากนั้นพระองค์ก็ไปสู่พระราชจุทยานอีกในท่ามกลางเดือนท่ามกลางแห่งฤดูร้อนฤดูร้อนเนี่ยปกติมีกี่เดือน4เดือนใช่มสามสี่เดือนเนี่ยสี่เดือนนี้ก็เดือนที่หนึ่งก็ไปแล้วเดือนกลางๆ ก, ก็ไปอีกในการนั้นต้นทองหลางก็ผลิต ด, ดอกแล้วในการนั้นก็ออกดอกครั้งนั้นก็กระทาอย่างนั้นนะไปพักใต้ใต้ใต้ใต้ต้นทองหลางนั่นแหละ หลังจากนั้นเดือนท้ายแห่งฤดูร้อนสิ้นฤดูร้อนพระองค์ก็ไปอีกต้นทองหลางนมีใบร่วงหล่นหมดแล้วเหมือนกับต้นไม้แห้งในการละนั้นพระองค์ไม่ทรงเห็นต้นไม้นั้นเลยก็เลยจัดก็ตรัสให้สั่งทําให้ทําที่บรรทมที่โคนต้นทองหลางนั่นแหละตามที่ประพฤติมาในการก่อนอมาต ร, รู้อยู่คื อ, อพระราชาเนี่ยเราบอกว่าก็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 เพราะกลัวนะว่าเพราะพระราชาสั่งมาว่าให้จัดที่พักที่โคนต้นทองหลางเดือนแรกไม่ใบดกมากเลยใช่ไหมข้ามกลางมีดอกงามปลายเดือนไปเนี่ยร่วงโคลนหมดเลยเนี่ยนะ